ให้มาดูข้อความในอัตถกาถาคูตตกระนิกายปฏิสัมทิธามร์เปริญญายนิเทศหน้า321ยอหน้ากล่าวว่าที่ที่พูดถึงว่าธรรมะหนึ่งที่ควรกำหนดรู้คืออะไรภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาศวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานหรือภาษะอันมีอาสวะมีตัวนั้นนี่หมายความว่าเป็นภาษะที่เป็นโลกิยะ แล้วก็ภาษาที่เป็นโลกิยาภาษานี้ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งอกตาทานภาษาอนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะถ้าเป็นภาษาเช่นจักรคู่สัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสภาษานั้นคือความประชุมของธรรมะสามอย่างคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะเช่นอาศัยจักรคู่กับรูปเกิดจากภคูิวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็น ัสสะอาศัยหูกับเสียงเกิดโซตาวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นัสสะอาศัยจมูกกับเปลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นัสสะอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นัสสะอาศัยกายกับโพธาภาเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นัสสะอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นัสสะอันนี้เรียกว่าัสสะหกนะัสสะหกนะ อันนี้นิพัสสะเรียกถ้าถ้าพูดคําเดียวก็คือพัสสะถ้าพูดเป็นหกก็เป็นพัสสะหกเพระาะว่าแบ่งว่าพัสสะทางปัญจทวารกับมโนทวารพัสสะทางปัญจทวารคือพัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าปฏิฆาสัมผัสปฏิฆาสัมผัสถ้ามโนสัมผัสมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาิวจนะสัมผัสอาิวจนะสัมผัส เหล่านี้ก็แบ่งเปนะ็นภาษาที่เป็นกามาวจรภาษาที่เป็นรูปาวจรภาษาที่เป็นอรูปาวจรแล้วก็ภาษาที่เป็นกุศลอักุศลวิบากกิริยาก็จะมีการแบ่งภาษาเนี่ยนะจะแบ่งให้เยอะมันก็เยอะหละจะแบ่งภาษาให้มากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าว่าย่อๆก็คือภาษาคือความประชุมของธรรมสามประการ ภาษะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเป็นที่เกิดแห่งอุปาทานเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทานหมายถึงภาษะในภูมิสามตามาภูมิโรปภูมิอารูปภูมิเนี่ยนะเพราะว่าภาษาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเป็นปัจจัยแก่อาสวะเมื่อภาษะเหล่านี้เกิดขึ้นยังไงจะตามมาด้วยกามาสวะภาวะ ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวาภาษาเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่กาโมปาทานเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยแก่ศีลพัตตุปาทานภาษาเหล่านี้คือโลกิยาภาษาในที่สุดนำมาซึ่งเป็นที่เกิดแห่งอาสวะได้เป็นที่เกิดแห่งอุปาทานก็ได้เพราะภาษานั้นเป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นอาหารอันเอียอร่อยของอาสวะเป็นอาหารอันอร่อยของ อุปาทานอย่าคิดนะว่าภาษาที่เป็นกุศลจะไม่เป็นปัจจัยแก่อาสวะและอุปาทานก็ออนํามาซึ่งการมุปาทานที่ถูกปาทานภาษาที่เป็นกุศลเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานยังไงสาธุด้วยผลแห่งบุญนี้ให้ข้าพเจ้าก็ว่าไปเนี่ยนะนั่นแหละลักษณะภาษะที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่อุปาทานการมุปาทานเป็นต้น จึงอยู่ภาษะนั้นชื่อว่าสาสะวะเพราะทําตนให้เป็นอารมณ์พร้อมกับอาสะวะที่เป็นไปชูคือมีความหมายว่าภาษะที่เป็นกุศลภาษะที่เป็นวิบาบภาษะที่เป็นกิริยาภาษะเหล่านี้เป็นอารมณ์ของอาสะวะส่วนภาษะที่เป็นอกุศลนั้นตัวเองก็เป็น ประกอบกับอาสวะตัวเองก็ประกอบแก่อาสวะและยังเป็นปัจจัยแก่อาสวะเนี่ยนะอุปาทานิยะก็เหมือนกันเพราะเข้าถึงความเป็นอารมณ์แล้วหน่วงอุปาทานไว้ด้วยการผูกพันเอาไว้กับอุปาทานนะก็ะคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าการเห็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนียภาษะการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยนำมาซึ่งกามุปาทาน นำมาซึ่งทิฏฐุปาทานนำมาซึ่งศีลพัตตุปาทานนำมาซึ่งอัตวาทุปาทานถ้าเราตั้งโจทย์ง่ายๆอย่างนี้ว่าชีวิตที่ผ่านมามีภาษาไหนมั่งไม่เป็นตัดัจแจกอุปาทานแทบไม่มีเลยนะไม่ใช่แทบนะพูดแบบพูดเหมือนมีส่วนเหลือแต่จริงๆไม่มีส่วนเหลือนะหมายความว่าไม่เคยมีแม้แต่ภาษะเดียวที่ไม่เป็นตัดัจแจกอุปาทานในภายหลัง เชื่อง่ายๆก็ว่ามีภาษาไหนมั่งที่ไม่เป็นที่เป็นที่ตั้งแห่งการไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยของเราทั้งหลายเคยมีไหมไม่มีนะเทียบสรุปว่าภาษาทุกภาษาในทาวารพกในที่สุดภาษารานั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราถ้าเป็นอย่างนี้จนได้ไนะเออเราไปเห็นมาสําคัญจริงๆนะว่าเป็นเราเราไปเห็นมา เราไปได้ยินมาไอการเห็นเนี่ยเป็นของเราเราเห็นมากตาเองแท้ เ, เลยนะอันยึดถือในภาษะในเทวานพอย่างแรงกล้าอันภาษะเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งปัญหาอาสะวะในภายหลังจนได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะเป็นปัจจัยแก่อาสะวะเป็นอารมณ์แก่อาสะวะทั้งหลายถ้าสรุปว่าภาษะเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญหาอุปาทาน แต่ทีนี้ถ้าพูดว่าทําไมภาษาจึงเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะก็เพราะว่าภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ภาษะตัวนี้จึงต้องทําปริญญาจึงต้องเอามาทําปริญญาถ้าไม่เอามาทําปริญญานะภาษะทุกภาษะนำมาซึ่งความสําคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่น อัตตาของเราโดยที่สุดแม้แต่ทำบุญมาแล้วนเนี่ยจะกล่าวไปใหญ่ถึงการทำบาปเล่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทุกเรื่องเลยนะไม่มีอะไรไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออันนี้แหละจึงต้องเอามาทาปริญญาเพราะเมื่อภาษะกาหนดรู้ได้ด้วยปีรณะปริญญาอารูปธรรมแม้ที่เหลือย่อมกาหนดรู้ได้ด้วยัาษะอันเป็นประธานและรูปธรรมย่อมกาหนดรู้ได้ เป็นไปตามพัสสนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวพัสสะอย่างเดียวเท่านั้นวันถ้ากล่าวพัสสะอย่างเดียวเนี่ยก็ชื่อว่ากล่าวอย่างอื่นหมดแล้วเพราะว่าพัสสะมันเป็นการประชุมของธรรมะสามประการใช่ไหมเช่นอย่างผู้ที่พิจารณาพัสสะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นนังหัวฝีเป็นนังลูกซอรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นนังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะทำไมพัสสะจริงเป็นของไม่เที่ยง เพราะภาษาเนี้ต้องอาศัยจักรคู่และรูปเกิดจากคู่วิญญาณถ้าตาไม่มีภาษามีได้ไหมไม่ได้ถ้าสีไม่มีภาษามีได้ไหมไม่ได้ถ้าจักรคูวิญญาณไม่มีภาษะมีได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นท่านจงพิจารณาเห็นภาษาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะภาษานี้ขึ้นตรงต่อจักขคู่ขึ้นตรงต่อรูปขึ้นตรงต่อจักขคู่วิญญาณธรรมะสามอย่างประชมกันเป็นภาษะ นันเมื่อมันมันเก้าอี้แต่ละเหมือนกับเก้าอี้สามขาใช่ไหมขาแต่ละขาไม้ผูกผูทั้งนั้นแล้วมาสร้างแล้วที่ที่ตั้งอ่ะมันจะมันจะได้เรื่องอะไรใช่ไหมว่าแต่ไม้ผูมาสร้างอย่างจักรผูกก็เป็นของผูกพังสีก็เป็นของผูกพังจกักรผูวิญญาณก็เป็นไม้ผูกเหมือนกันแล้วจกักรผูสัมผัสจะตั้งมั่นมั่นคงมาจากไหนอันนี้แหละเรียกว่าตีรณะปริญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ตัวมันเองเนี่ยทุกข์เพราะไม่เที่ยงก่อนล่ะ ถ้าจักรคู่สัมผัสเนี่ยนะเป็นทุกขกระทุกเอ่อขอให้จักรคู่สัมผัสเป็นสังขารทุกข์โสต่าสัมผัสเป็นสังขารทุกข์ขาน่าสัมผัสเป็นสังขารทุกข์ชิวหาสัมผัสเป็นสังขารทุก์ตายายสัมผัสเป็นทุกขกระทุกกับวิปรินามะทุกข์เพราะทุกขากายย่อบิญญาณเป็นทุกขระทุกใช่ไหมแล้วก็สุขากายย่บิญยาณก็เป็นวิปรินามะทุกข์ถ้าภาษาเหล่านั้นเกิดร่วมกับ ทุกขเวทนาก็เป็นทุกขทุกถ้าภาษาเหล่านั้นเกิดร่วมกับสุขเวทนาก็เป็นวิปริณามะทุกถ้าเกิดพร้อมกับอุเบกขาเวทนาก็เป็นสังขารทุกนี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกเพราะทุกขทุกบ้างเป็นทุกเพราะวิปริณามะทุกบ้างเป็นทุกเพราะสังขารทุกบ้างเพราะเคยเห็นไหมสังขารใดๆเที่ยงถ้าสังขารไม่เที่ยงภาษาจะเที่ยงมาจากไหน เพราะภาษามันขึ้นโดยอาศัยวัตถุกับอารมณ์และวิญญาณใช่ไหมรูปก็ไม่เที่ยงหมายความว่าวัตถุทวารก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่ทวารเหล่านั้นรับก็ไม่เที่ยงวิญญาณในแต่และทวารก็ไม่เที่ยงภาษาที่เกิดกาาจากการประชุมสามอย่างจกเที่ยงมาแต่ไหนมันเป็นของที่มันอาศัยเข้าไปหมดเลยนะมันอาศัยเข้าไปทุกเรื่องเลยอะ่ะมันจะมั่นคงมาจากไหนเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เราบริหารภาษาเนี่บริหารยากจริงๆเลยนะ เช่นว่าแปดปรุงอาหารกว่าจะถูกลิ้นนี่มันยากจริงๆเลยไหมให้มันชิวหาสัมผัสที่เหมาะเจาะที่หน้าหน้าพอใจเนี่ยนะยากมากอ่าจริงๆแล้วบริหารยากที่สุดคือบริหารภาษะถ้าพระภาษาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาโดยเฉพาะเช่นบริหารสุขภาพเนี่ยนะให้มันสบายไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นต้นเนี่ยบริหารง่ายหรือยากยากต้องบริหารรูปถ้าบริหารรูปต้องบริหารวิญญาณบริหาร อารมณ์เพื่อจะบริหารภาษะเพราะภาษะเป็นตัวที่สําคัญต่อเวทนาอันผู้ที่พิจารณาตัวนี้ว่าเป็นเป็นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นภาระหนักมากในการบริหารภาษะเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะบริหารเพื่อจะได้ตาจะได้เห็นสีที่ดีๆเนี่ยนะนะมหาบริหารเลยแหละสมมติจะแต่งอะไรให้มันงามอย่างที่ภาษามันต้องการเนี่ยนะการจะแต่งได้อย่างนั้นจริงก็ยากแต่งเสียงเนี่ยให้มันได้อย่างที่ภาษะต้อง ชิมอีกนะชิมจนคนชิมนี่อิ่มไปแล้วเนี่ยอาหารยังไม่เต็มเลยนะเพราะมัน uh ไม่ถูกใจสักทีหนึ่งนะแต่งแล้วแต่งเล่าแต่งแล้วแต่งเล่าในอาหารแต่เจมอยก็บอกว่าชิมไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้งตรง่มน่งอ่ะช่อหมึดเดี๋ยวจะผิดศีล็ขานะแต่ก็เลยไม่ได้ชิมเลยนะก็ดีแล้วที่ไม่ได้ชิวหาสัมผัสก่อนนะครับเลยได้บุญเลยคือเขาทำอาหารถวายพระเนี่ยนะแล้วก็ทำแต่ช่อหมึดเนี่ยก็ไม่กล้าชิมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวศีลจะขาดศีลแปจะขาด รักษาสินแปดมาเนิ่นนาแล้วก็เป็นผู้มีทรัพย์คือศินก็บริหารอย่างนี้แหละบริหารทรัพย์นะเออรักษาทรัพย์ไปได้ก็ดีแล้วอนุโมทนาด้วยเมื่อไหร่น้อที่เรารักษาศินให้นึกว่านี้เรารักษาทรัพย์นะทรัพย์อันนี้คือต้นทุนที่จะออกจากวัฏจักรนะเป็นเสบียงทางที่จะออกจากวัฏตัถ้าใครคิดอย่างนี้ได้ก็แหมมันตัดชิวหาสัมผัสไปได้ใช่ไหมถึงอะไรขนาดไหนก็ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวจะจะเสียทรัพย์เดี๋ยวจะไม่มีค่ารถออกจากวัตจักรนะ ก็เครื่องบินออกจากวัตาก็ศีนี่แล้วก็ให้ดีใจเลยผู้มีสีเนี่ยมีเครื่องมือแล้วที่จะออกจากวัดตะกเลยก็ใส่ใจบ่อยๆนะว่าทรัพย์เหล่านี้ก็เป็นทรัพย์ที่ดีแต่สรุปทบทวนมาว่าภาษาทุกภาษาบริหารยากหมดเลยรักษายากมากโดยเฉพาะภาษาที่เป็นกุศลเนี่ยนะให้ภาษาที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดยากแต่ภาษาที่เป็นอกุศลนี่ชำนาญมากไม่ยากะอะไรก็ตามถ้าคล่องแคล่วเนี่ยไม่ยาก แต่ก็มันบอกอีกอย่างหนึ่งก็บอกโต้งตรัสว่าคนชั่วเนี่ยนะทําดีทํายากแต่ทําชั่วทําง่ายคนดีเนี่ยก็บอกว่าทําดีทําง่ายทําชั่วทำยากอันนี้ก็ประทาดตัวเลยนะว่าถ้าใครบอกทําดีนี่ทํายากจริงๆริก็แสดงว่าคนนั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนะนะคนดีก็บอกว่าอ้้ยความชั่วนี่มันทํายากทําเย็นจริงๆนะเช่นจะด่าใครสักคนหนึ่งนะคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกทำยังไงจะต้องไม่ว่าเขาจะต้องไม่ไปเปื้อนบาป อันนี้แหละเรียกว่าคนดีทําชั่วยากเนี่ยนะนะนะก็ดูว่าเราเป็นคนประเภทไหนก็ดูได้หมดนะจริงๆวิชาธรรมะเนี่ยเป็นวิชาที่เรียกว่าตรวจตัวเองไในทุกเรื่องเลยนะทีนี้มันไม่ค่อยยอมตรวจนี่เลยสรุปว่าพิจารณาภัสสะเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงอย่างที่กล่าวไปเพราะว่ามันต้องอาศัยปัจจัยเยอะนะเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวเขาเองก็ถ้าจะร่วมกับเบคาเวทนาก็เป็นสังขารทุกข์ ถ้าเกิดร่วมกับทุกขเวทนาก็เป็นเป็นอะไรทุกระทุกถ้าเกิดร่วมกับโสมนัตเวทนาก็เป็นวี่อะไรนามาทุกกําลังทุกกระทุกอยู่จะบริหารภาษาแล้วฉั้นภาษาทุกภาษาเนี่ยนะให้พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคโรคทั้งหลายแหละที่เขาตรวจพบนี่เพราะมันมีภาษาใช่ไหมเช่น ัาษามันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาพเพราะมีภาษาเราจึงรู้ว่าตรงนั้นเป็นโรคในในร่างกายของเรานี่ยที่ที่คนไปหาหมอไปตรวจโรคทั้งหลายก็เพราะได้ภาษาใช่ไหมพอได้ภาษานี่จึงไปไปตรวจไปรักษาไปดูแลไปเยียวยาเนี่ยนะอย่างเช่นคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนะก็กินอิ่มนอนหลับสบายเนี่ยนะมันจะลําไส้จะขาดไปเจ็ดยบทอนก็ไม่ไปหาหมออยู่แล้วล่ะแต่เนื่งองจากว่าพอนิดๆหน่อยๆมันเริ่มปวดเริ่มอืดเริ่มมีปัญหาก็เลยหมอก็เลยมีงานทํานะท่านนี่ มีภัสสะที่นี่มีหมอลำไส้ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้เลยมาเพรได้ภัสสะนะคนไข้ยังไปหาหมอเนี่ยนะถ้าไม่มีภัสสะนันก็ไม่ไปหรอก